จะอธิบายธรรมะในธรรมกบุญทั้งหลายฟังวันนี้เป็นวันที่มีโอกาสอย่างยิ่งในบรรดาวันทั้งหลายที่ผ่านมารู้กวันนี้เป็นวันที่มีโอกาสเต็มที่นักแต่เริ่ม ออกเดินทางมาเป็นโอกาสในการแสวงบุญตลอดมาจนกระทั่งถึงบัดนี้คำว่า บ, บุญท่านทั้งหลายคงพอทราบได้เป็นสิ่งที่โลกต้องการทั้งคนและสัตว์ตลอดมาไม่เคยมีการเปลี่ยนแปลงเหมือนความนิยมอย่างอื่น สิ่งอื่นทั้งหลายนั้นมีการนิยมเป็นยุคเป็นคราวและเปลี่ยนแปลงกันไปเรื่อยๆส่วนความนิยมในคำว่าบุญนี้ไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าบุคคลไม่ว่าชาติชั้วนวรรณะใดมีความมุ่งหวังกันตลอดมาทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคต ไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อความรู้สึกยังมีอยู่ภายในตัวของบุคคลและสัตว์มนั น, นแต่คนทราบตามภาษาไทยของเราที่แยกออกไปจากบุญก็ซึ่งก็เป็นภาษาไทยคำหนึ่งแล้วเพื่อทราบความหมายในคำว่าบุญนี้ให้ชัดเจนสมกับว่า เป็นสิ่งที่เรามุ่งหวังอย่างแท้จริงนั่นคืออะไรคำว่าบุญนี้จึงหมายถึงความสุขโดยตรงจะเป็นความสุขทางกายหรือทางใจเป็นเรื่องที่โลกเป็นสิ่งที่โลกต้องการด้วยกันไม่มีวันจืดจางเปลี่ยนแปลงในความปรารถนาซึ่งความสุข นี่เป็นสิ่งที่โลกต้องการเสมอความสุขทางกายอย่างหนึ่งความสุขทางใจอย่างหนึ่งรวมแล้วมีสองกายสบายเราก็อยู่สงบใจสบายเราก็เรียกว่าเป็นสุขนั่นเองสาเหตุที่ให้เกิด เป็นความสุขขึ้นมาทางกายทางใจต้องมีการพ้นขวายมีการระมัดระวังรักษาอยากให้เป็นสิ่งที่เป็นค่าศึกเข้ามาทำลายความสุขทั้งสองประเภทนี้ได้ที่ท่านนักใจบุญทั้งหลายรุศาสลละมิล่ำเวลาหน้าที่การงานและทรัพย์สมบัติมากน้อย ด้วยใจจริงของตนมาสู่สถานที่นี้ก็ดีหรือในการบำเพ็ญบุญทั่วทั่วไปก็ดีชื่อว่าเป็นต้นเหตุแห่งการแสวงหาบุญคือความสุขอย่างแท้จริงถูกต้องตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ทรงสอนมาแล้วนี่เป็นทางที่ถูกที่ดีเป็นทางที่ชุ่มเย็น อย่จิตใจของเราบุญนี้ได้มากน้อยเป็นสิ่งที่ ป, ปรารถนาทั้งนั้นได้มากเท่าไรก็ไม่เหลือเฟอือเหมือนอย่างอื่นๆไม่เฟอ้อเป็นสิ่งที่สัตว์โลกปรารถนาโดยทั่วกันแม่ที่สุดท่านผู้ถึงยมุตนานิพานก็ยังต้องมีธรรมชาติอันหนึ่งที่โลกทั้งหลาย พอทราบกันในทางสมมติว่าประมังสุขขังท่านยังมีความสุขอันเยี่ยมอันอย่างยิ่งอีกด้วยภายในจิตใจของท่านฉะนั้นเมื่อเราทราบแล้วว่าบุญคือสิ่งที่โลกต้องการเราผู้หนึ่งในนามของโลกทั่วไป เราจรึงพยายามทำความสนใจและฝันขวายในทางบุญให้เกิดขึ้นคนไม่มีบุญสัตว์ไม่มีบุญเป็นบุคคลและสัตว์ที่อาภัพมากเกิดมากับโลกเขาแน่วันคืนปีเดือน ยังคงเส้นคงวาอยู่ตามธรรมดาก็ตามก็รู้สึกว่าวันคืนปีเดือนนั้นยืดเยื้อมากอยากให้มืดให้แจ้งเสียโดยเร็วเพราะทนต่อความทุกข์ความทรมานนั้นไม่ได้นี่คือขาดบุญคือความตกมีแต่ความทุกข์ทรมานทางกายทางใจบีบบังคับอยู่ตลอดมาวันคืนปีเดือนจึงเป็นเหมือนกับยืดยางเอา เป็นเหลือประมาโลกก็กลายเป็นโลกแคบถ้าลงทุกเด้เข้ามาบีบคั้นร่างกายและจิตใจของคนและสัตว์รายใดก็ต่างอะไรอะไรก็ไม่เป็นสิ่งที่พึงปรารถนาไม่เป็นที่เจริญใจทางนั้นโลกก็แคบเข้ามาแต่วันคืนปีเดือนรู้สึกว่ายืดยาวมากมาย ชีวิตนี้ก็รู้สึกว่ายืดยาวในขณะนั้นความสมใจที่ตนอยากให้พ้นจากทุกที่กำลังเ <c> ห <oughs> ยียบย่ทาทำลายตัวของเราอยู่นั้นคืออยากตายไปเสียในขณะนี้เพ <c oughs> ื่อจะได้พ้นจากทุกที่กำลังบีบบังคับิตอนี้ไปเสียนี่ต้องทำให้จิตทั้งเราชิดได้ต่างๆเพราะอานาจของทุกนี้ เป็นของที่รุนแรงมากโลกทั้งหลายจิงไม่ปรารถนากันแม้แต่สัตว์ก็รัวไม่ว่าแต่มนุษย์เราเลยการสร้างเครื่องป้องกันทุกจึงมีหลักวิชามีอุบายวิธีที่จะสร้างให้ถูกต้องดีงาม โดยไม่ไปสร้างความทุกข์ให้ตัเองแล้วผลทุกข์ให้คนอื่นหรือไม่เหยียบย่ำทำลายคนอื่นเพื่อการสร้างความสุขให้ตนเองอันเป็นทางที่ผิดพระพุทธเจ้าจึงได้ประกาศสอนธรรมอันเป็นแนวทางที่ถูกต้องที่เรียกว่าสุขาโตภคะวตาธรรมดแปลว่า คำสั่งสอนอันเป็นเครื่องชี้แนวทางเดินของชีวิตทั้งปัจจุบันแอนาคตแก่บรรดาสัตนั้นพระองค์ท่านได้ตับไว้ชอบทุกสิ่งทุกประการแล้วไม่มีส่วนบกพร่องนี่เป็นทางเดินอันราบบิน่นสม่ำเสมอและชุ่มเย็นแก่ผู้ดำเนินคือประพฤติปฏิบัติตามทางที่พระองค์ท่านทรงประกาศสอนไว้ ดังเราท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญและปฏิบัติตามสวขาจตธรรมนั่นตลอดมาเห็นกถินนาทานที่เราได้บำเพ็ญมาเป็นประจำจนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็เป็นการดําเนินตามหลักสวขาจตธรรมที่พระองค์เจ้าสอนไม่แลี่ทั้งนั้นนี่เป็นทางที่ถูกที่ดีเป็นทางชุ่มเย็น ทั้งผู้ที่ให้ทานทั้งผู้ได้รับทานจากเราผู้โตๆไปก็ว่าทั้งผู้ให้ผู้สงเคราะห์ทั้งผู้รับการสงเคราะห์เราจะสงเคราะห์มนุษย์ด้วยกันกว่าตามสงเคราะห์หรือให้ทานแก่สัตว์ก็ตามสัตว์ก็ไม่เป็นภยัยเราก็ไม่เป็นโทษต่างคนต่างมีความสุขเราได้รับความสุขเพราะการสงเคราะห์ผู้อื่นในทางน้ําใจด้วยความรู้สึก ทราบซึ่งในจิตใจว่าตนมีวาสนาพอจะให้คนอื่นหรือสัตว์อื่นได้อาศัายความร่วมเย็ยนจากตนสัตว์หรือคนก็ตามรายที่ได้รับความการสงเคราะห์จากเราก็มีความดีอกดีใจอาจตนได้มีเท่าที่ตนได้รับความจุ ม, มันจากท่านผู้นั้นผู้นั้นได้สงเคราะห์มีจํานวนมากน้อยเพียงไรก็ต้องอะลุกันเป็นธรรมดาจะลืมเสียไม่ได้ นี่เเรียกว่าเป็นทางที่ให้ความร่มรื่นทั้งสองทางจะเรียกว่าทานบารมีก็ได้ทานนี้เป็นความจำเป็นสำหรับโลกเราจะเว้นทานนี้เสียไม่ได้เพราะเป็นพื้นแห่งชีวิตความเกี่ยวเนืระหว่างกันและกัน กว้างแคบไม่มีประมาณต้องอาศัยทานเป็นเครื่องเชื่อมอยู่ถึงกันถ้าไม่มีทานแล้วโลกนี้ต้องแตกทานจริงเป็นเหมือนกับความมั่นคงหรือสิ่งมั่นคงในการก่อสร้างจะเป็นสร้างบ้านสร้างเรือนก็าตามไม่มีสิ่งมั่นคงเป็นหลักยึดไว้แล้วบ้านเรือนนั้นๆเขย่อมไม่แน่นหนามั่นคง โลกจะเป็นจะมีความปึกแผ่นแน่นหนาเพียงไรต้องอาศัยการสงเคราะห์ซึ่งออกจากความเมตตาและความเห็น อ, อกเห็นใจกันเป็นรากฐานสำคัญสิ่งที่จะนำมาสงเคราะห์ก็ยอมเป็นไปเองเพราะใจเป็นผู้บงการทานจึงเป็นสิ่งจำเป็น อย่างยิ่งที่จะปฏิบัติต่อกันโดยไม่นิยมว่าเป็นนักบวชนักครวญตลอดสัตว์ทั้งหลายยอมมีต่อกันอยู่เสมอแต่ไม่ให้ชื่อไม่ได้ให้ชื่อว่าเขาให้ทานกันเฉยๆแปลแล้วก็แปลว่าการให้นั่นแหละทานะแปลว่าให้มีพูดให้ฟังให้เราทราบกันอย่างชัดๆก็คือแปลว่าให้นั่นเองจะให้ด้วยวัตถุ ให้โดยการอบรมสั่งสอนให้โดยดวิฐทีใดก็ตามเพื่อความรู้ความเข้าใจเพื่อผู้อื่นได้รับความสุขจากการให้ของตนเรียกว่าทานทนั้นทานวัตถุคือให้ด้วยวัตถุสิ่งของให้ทางความรู้ความฉลาด คือให้การอบรมสั่งสอนให้อุบายแนวทางอะไรก็แล้วแต่จัดว่าทานทั้งนั้นทานจึงเป็นเรื่องใหญ่โตประจําโลกถ้าขาดทานเสียเมื่อใดโลกก็ตั้งอยู่เป็นปึกแผ่นแน่นหนาไม่น่าแม้ที่สุดในตัวเรือนเดียวกันก็เหมือนกันดูด้วยกันมาก็ต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐานของครอบครัวนั้ น, น, น ไม่มีนี้เป็นพื้นฐานจะเป็นมาไม้มจะโลกหรือครอบครัวนั้นจะเป็นไปไม่ได้นอกจากการกระทาของเราที่ได้บำเพ็ญลงไปด้วยวัตถุแททานเช่นนี้แล้วผลที่แสดงอยู่ในปัจจุบันและอนาคตย่อมเป็นไปเพราะอานาจแห่งทานนี้โดยสมองส ม, มอนทานแทนที่จะให้คนอื่นไปเสียจนหมด สิ้นไม่มีอะไรหรือว่าติดตัวแต่ผลแห่งทานย่อมสะท้อนย้อนกลับเข้ามาเป็นสมบัติของผู้นั้นจะไปที่ไหนอยู่ที่ใดไม่ออยากขาดแคลนเพราะอำนาจแห่งทานนบารมีที่ตนไม่เคยสร้างไว้เข้ามาเป็นสมบัติภายในฝังอยู่กับใจเราจะ จำได้ก็าตามจำไม่ได้ก็าตามไปเกิดในภพใดชาติใดก็าตามนิสัยคนที่มีทานประจำใจย่อมเป็นนิสัยมีย่อมเป็นผู้มีอัธยาศัยกว้างขวางไม่ขับแคบติดตังไม่ทะนีเหนียวแน่นอัธยาศัยหรือนิสัยเช่นนี้แน่จะไปเกิดเป็นสัตว์ก็ตามนิสัยนี้ย่อมไม่เปลี่ยนแต่ เพราะอยู่กับใจถึงร่างกายจะเปลี่ยนแปลงไปก็ต่างแต่จิตใจนั้นจะไม่เปลี่ยนแปลงไปจากนิสัยเดิมของตนนี่คือสมบัติภายในที่เกิดขึ้นมาจากการให้ทานเพราะการที่เราจะให้ทานได้แต่ละอย่างละอย่างตั้งแต่เล็กตั้งแต่น้อยจนมาก ก็ต้องออกจากใจใจที่เคยสั่งสมคุณธรรมประเภทนี้ไปอยู่โดยสม่ำเสมอแล้วย่อมมีกำลังจนกลายเป็นคนมีทยสาสัยกว้างขวางแมอจะอจากขาดแทนไปถึงที่จำเป็นจริงๆก็พอเป็นไปได้หากมีผู้ช่วยหากมีผู้อุดหนุน หากมีผู้เห็นใจหากมีผู้เมตตาอยู่นั่นแหละเพราะเชื่อเดิมของเรามีอยู่ภายในใจจะเกิดในชาติใดพบใดอำนาจแห่งทานามรมีนี้ย่อมเป็นการส่งเสริมมาให้อดอยากขาดแคลนแลนอกนั้นยังเป็นเครื่องสนับสนุนจิตใจของเราให้หลุดพ้นจากทุกข์มาได้ด้วยอำนาจแห่งทานนี้ด้วย มันเป็นส่วนหนึ่งของคุณงามความดีทั้งหลายมีศีลภาวนาเป็นลำดับฉะนั้นนะักปราชญ์ทั้งหลายจึงสอนแล้วสอนเล่าให้โลกทั้งหลายได้ประพฤติตนในธรรมประเภทนี้เป็นพื้นฐานจากนั้นก็สอนถึงเรื่องศีลเรื่องภาวนาไปเป็นลำดับ ในข้อที่ว่าเป็นนิสัยอยู่ภายในจิตเพราะอำนาจแห่งการบําเพ็ญมาโดยสม่ำเสมอนี้เราจะเห็นตัวอย่างจากพระพุเทธเจ้าของเราในคราวเป็นพระเวสสันดรได้ทรงให้ทานเสียทุกสิ่งทุกอย่างจนชาวเมืองเขาไม่พอใจ าพูดตามภาษาของเราก็เอียกว่าขับไล่พระองค์ออกจากเมืองจากความเป็นพระเจ้าแผ่นดินเสียัวบ้านเมืองจะล่มจมเพราะพระองค์เป็นผู้หนักในการให้ทานตามพระอัจฉริยาสาัยที่เคยเป็นมาอย่างนั้นพระองค์ไม่ขัดข้องเขาขับไปที่ไหนก็ไป ยอมไปตามคำที่เขาขับน่ยายส่งให้พระองค์ไปแต่ไม่ทรงลดละในการให้ทานตามพระทยาใสาหรือนิสัยของโองที่เคยบำเพ็ญมาดั่งเดิม้จะไปอยู่ในป่าไม่มีสิ่งใดบริจาคทานเหมือนอย่างแต่ก่อนก็ตามมีเพียงกันหาชาลีเท่านั้นก็ยกให้ทานแก่พรามไป เพราะมีเท่านั้นไม่มีอะไรที่จะให้ทานมีเพียงสองกันหาชายเท่านั้น mm. ก็ให้ทานไปอย่างไม่อะไรเสียดายเนี่ยก็เหลือแต่ท่านางมัสสีเทพยมิตรบรรดาเป็นพระมาทุนขอนางมัสสีอีกก็ ตรงให้อย่างพอพระไทยอีกเช่นเดียวกันเพราะมีเท่านั้นไม่มีอะไรจะต้องขาสมบัติเงินทองอะไรไม่มีเพราะถูกเขาขับหนีไปจากบ้านจากมืองไปอยู่ในป่าจะมีอะไรเพียงอัตรภาพร่างกายจะเป็นไปกับอาหารวันหนึ่งวันหนึ่งก็แทบจะเป็นไปไม่ได้แล้วหัเวเผือกหัวมันเท่านั้นอดบ้างอิ่มบ้างเราคิดดูก็น่าสะโ ด, ดสังเวช กษัตริย์ทั้งองค์สละออกจากตําแหน่งเป็นกษัตริย์กลายเป็นคนขอทานขึ้นมาทันทีทันใดจะว่าเป็นคนขอทานก็ไม่ทราบว่าพระองค์ไปขอทานที่ไหนเป็นคนอนาถาเราดีๆนี่เ อ, อสเสวยหัวเผือกหัวมันตามป่าตามลึกจะได้ความทุกข์ยากลําบากขนาดไหนแม้จะนั่นพระไทยที่เต็มเปี่ยมด้วย การให้ทานการเสียสละยังไม่ปรากฏวะาบกอกต้ทง่ิรงไหนใครจะขออะไรพระองค์ประทานให้ทั้งนั้นขอลูกให้ลูกขอเมียให้เมียเนื้อไทยจะมาขอพระพระเนตรหรือดวงหัดไทยพระองค์ก็ไม่ทรงอะไรทร้อมที่จะยกให้อยู่เสมอ นี่ก็เพราะอำนาจแห่งความเสียสละที่เคยเป็นมาภายในพระไทยของพระองค์นั่นเงจนกลายเป็นนิสัยขึ้นมาผลถอนไม่ขึ้นยอมปฏิบัติตามตามที่เขาตาหนิทุกอย่างเขาให้อยู่ก็อยู่เขาให้หนีให้ไปไหนก็ไปแต่การให้ฐานนี้ไม่ยอ ม, มดลดละไม่ยอมแก้ไข ไม่ยอมปฏิบัติตามใครปฏิบัติตามพระเวสนนท์นอนพระองค์เดียวเท่านั้นว่าเป็นนักคือ น, นักให้ถากนี่คือความฝังมาแล้วดังเดิมจึงนยกทานขึ้นเป็นหลักสำคัญในหลักศาสนามีทานเป็นฐานสำคัญรวมแล้ว งามความดีที่เกิดขึ้นจากให้การให้ทานนี้ก็สําเร็จขึ้นเป็นบุญมีความสุขความเจริญได้ก็เพราะอํานาจแห่งบุญการรักษาศีลก็เพื่อบุญคือความสุขการให้ทานก็เพื่อบุญคือความสุขการเจริญภาวนาก็เพื่อบุญคือความสุขซึ่งสัตว์โลกทั้งหลายต้องการตลอดมาดังนั้นจึงขออนุโมทนากับบรรดาท่านทั้งหลายที่เป็นรักใจบุญ ได้ที่สามบำเพ็ญตลอดมาไม่หยุดยั้ยงแม้ยังหังมีความอบอุ่นในใจว่าท่านทั้งหลายยังไงก็ครับต่อละอันนี้ไม่ได้ด ง, งามความดีจะต้องปฏิบัติเป็นลำดับลำหนับไปจนชีวิตหาไม่เพราะนี้เป็นรากฐานของจิตใจอย่างแท้จริงที่จะพา เราดูเราไปไปเป็นมีความสุขความกระเริ่เพราะอำนาจแห่งการสร้างความดีในตัวเองมีเรียกว่าการรักษาตัเองด้วยความปลอดภัยเพื่ออนาคตชาติบนั้นในปัจจุบันนี้เราเรามีชาติมีพบอดีตต้องเคยเป็นผู้เคยมีชาติมีพบมาแล้วและอนาคตการข้างหน้าที่จะผ่านมา ชีวิตนี้จะผ่านไปก็เพื่ออนาคตการท่องเที่ยวในวัตถะสงสารในภพในชาติของเราต้องมีด้วยกันทุกคนเมื่อเป็นเช่นนั้นความดีซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นที่เราจะต้องอาศัยเกาะเกี่ยวหรือเป็นที่พึ่งของตนในภพชาตินั้นๆต้องเป็นของจำเป็นเช่นเดียวกับชีวิตของตน ชีวิตมีอยู่หาความสุขไม่ได้ก็เป็นโมฆะไม่มีคุณค่าอันใดกับชีวิตนั้นๆเราไม่ต้องการเป็นผู้หมดคุณค่าในชีวิตโดยไม่มีความสุขเพื่ออาศัยเลยแต่เราเป็นผู้หวังคุณค่าแห่งชีวิตที่เต็มไปด้วยความสุขความสมหวังดังนั้นเราจึงสร้างคุณงามความดีไว้เพื่อตนนี่เป็นทางที่ถูกเป็นความทิดชอบ เพื่อรักษาความปลอดภัยหรือต้านทานสิ่งที่ไม่ดีอันจะเป็นเหตุทําลายแก่ตเนเมื่อการสร้างุณงามความดีจะยากบ้างลำบากบ้างให้เราถือว่าเป็นงานสร้างตัวเองคือสร้างตัวเองให้ดีสร้างตัวเองให้มีความสุขความจเจริญสร้างหลักสร้างฐานสร้างความมั่นคงสร้างความอบอุ่นให้กิจใจ ไม่เป็นความเสียหายในความลำบากที่เราสร้างตนเองด้วยการทำดีเวลาจำเป็นจิตใจจะไม่คิดอะไรมากไปกว่าคิดหาที่ถึง่งอันนี้เป็นหลักสำคัญที่เราจะต้องคิดด้วยกันทุกคนเมื่อถึงข่าวจนงรอกมาแล้วเวลาไม่ร้อนเครื่องป้องกันแดดก็ไม่จำเป็น เวลายังไม่หนาวเครื่องป้องกันหนาวก็ไม่จำเป็นเวลาไม่หิวกระหายอาหารวานขาวที่เราเคยอาศัยมาก็ไม่จำเป็นแต่เมื่อเกิดความจำเป็นดังที่กล่าวมานี้จิตต้องประวัติถึงเครื่องป้องกันทันทีพอร้อนปรากฏขึ้นต้องประวัติถึงเครื่องป้องกัน หนาวเกิดขึ้นจิดก็ต้องประวัติถึงเครื่องเครื่องก้องป้องกันความหิวกระหาเกิดขึ้นต้องคิดถึงอาหารงงง่ายเอาอย่างนั้นเวลาความจนกรอกจนมุมของชีวิตจิตใจจะเข้ามาถึงจริงเราจะลึกถึงอะไรนี่เป็นหลักสาคัญต้องระลึกถึงคุณงามความดีที่เราเคยสร้างมามากน้อยว่ามีเพียงไหรหรือไม่มีนั่นเป็นจุดสําคัญ เป็นเวลาสำคัญมากสำหรั บ, บเราเพราะทุกรูปทุกนามจะต้องถึงความจำเป็นเช่นนั้นด้วยกันเราจรึงจพยายามสร้างเพื่อตัวเองไม่เสียแต่บัดนี้จิตใจที่เคยกินต่อสิ่งใดย่อมระลึกถึงสิ่งนั้นทันทีจิตใจที่เคยสร้างแต่บาปแต่กรรมเวลาจนกรอบจนมุมคิดหาทางดีไม่มี เพราะตนไม่สร้างไว้คิดประวัติไปถึงแต่บาปแต่กรรมตาย้วก็เป็นไฟไปทีเดียวนรกอาวียีจะมีหรือไม่มีมันก็เห็นเป็นไฟอยู่กับผู้นั้นเพราะผลที่เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นจากตนผู้ทําจะว่าตนารกอาวียีเป็นผู้มาให้โทษใส่กรรมก็ไม่ได้ความให้โทษให้คุณเป็นเรื่องของเราเป็นผู้สร้างขึ้นเองเราเกิดมาไม่ได้ ตั้งใจจะมาสร้างหารตนเองหรือทำลายตนเองด้วยการทาทั่วชาติลำมุกกันเป็นไฟเผาตัวแต่เราต้องการมาส่งเสริมตนเองเราจรึงต้องสร้างคุณงามความดีไว้เป็นที่พึ่งที่เกาะเชียวสายเวลาจำเป็น จ, จําใจจิตต้องเกาะจริงๆพอเราเลิกถึงบุญพรับใจยิ้มแย้มแจ่มใสอบอุ่นแรงเพราะเราเคยสร้างไว้จนติดจิตติ ด, ตดใจ เ, เลิกเมื่อไรก็เห็นเมื่อนั้นเพราะเราสร้างอยู่ ทุกวันทุกคืนเป็นความเคยชินกับใจนี่เป็นความอบอุ่นแม้ร่างกาจะแตกกระจายไปก็เป็นธรรมดาของธาตุของขันเราจะต้านทานไว้ไม่ได้เพราะเรื่องนี้เป็นคติธรรมดาอันเป็นเรื่องใหญ่โตมากไม่มีใครสามารถจะต้านทานกาั้นกลางไว้ได้ต้องปล่อยไปตามสภาพของเขาแต่สิ่งที่เป็นสมบัติของเราอันไม่มีใครจะมาแย่งชิงเอาได้นั่นคือบุญ อันเป็นความสุขเครื่องอบอุ่นจิตใจที่เกิดขึ้นมาจากการสร้างบุญเวลานี้เรากำลังสร้างบุญสร้างเครื่องระลึกสร้างเครื่องเกาะเครื่องยึดแก่จิตใจจะถึงคาจนกรอบไม่จนกรอบไม่สำคัญรละลึกเมื่อายมีความเย็นอกเย็นใจหรืออบอุ่นภรรยาใจส ม, มองฝยิ่งถึงค้าจวจนตัวมาแล้วก็ยิ่งจะเห็นความสาคัญของไก ที่ได้สร้างความดีไว้เพื่อตนเองมากน้อยเพียงไรเราไม่ประมาทธรรมนาคนฉล า, าดย่อมคิดเพื่อตัวเองทั้งปัจจุบันในอนาคตเสมอ mm hmm. เมื่อถึงค่าวจําเป็นก็ไปอย่างแบบสุขคตโตคือไปดีมีความสุขความสบายพบไดชาติใดที่จะเป็นสมบัติของตนก็ล้วนแต่เป็นของดีๆทั้งนั้นเพราะตนสร้างแต่ความดีไว้ ผลต้องเป็นดีทั้ง <Yeah. S 1> นี่เป็นทางดําเนิน <Yeah. S 1> ของนักปราช์ที่เคยดําเนินได้ภาพความดีและความปลอดภัยจนกระทั่งผ่านพ้นถึงยมุตผ่านมาแล้วได้แก่พระพุทธเจ้าของหนักไม่เคยโกหกพวกลมแกสัตว์โลกแม้คําเดียวประโยคเดียวหลัคดคําใดออกมาเป็นคําที่เต็มไปด้วยเหตุด้วยผลเป็นคําที่ถูกต้องดีงาม ต้องควรที่สัตว์โลกจะประพฤติปฏิบัติให้เกิดผลเป็นที่พึงพอใจได้ทุกบททุกบทแห่งธรรมที่ทรงแสดงจึงเป็นธรรมที่ถูกเนื้อต้องใจเป็นธรรมที่ไว้ใจได้ไม่มีคําใดที่จะเป็นคําแสดงหูแสดงใจและเกิดเป็นภัยเป็นเวรแก่บรรดาสัตว์ที่ปฏิบัติตามพระองค์ท่านนอกจากจะเป็นชดิมงคลแก่ตนผู้ดําเนินเท่านั้นไม่มีทางอื่นใดจะเป็นภยัย เราเองยังมีทางโกหกตนได้ไม่ต้องว่าคนอื่นจะมากโกหกเราตัวเราเองยังสามารถโกหกตนได้ต่อหน้าต่อตาพระพุทธเจ้าไม่มีเลยจะกโกหกสัตว์โลกจึงเป็นที่แน่ใจยิ่งกว่าเราแน่ใจในตัวของเราซึ่งเป็นนักโกหกตนเองอยู่คำว่าโกหกตนเองหมายถึงอะไรยกตัวอย่างใกล้ๆ ว่าจะทําสิ่งนั้นก็หาเรื่องม า, กาโกหกก็อ๋อเดี๋ยวทํานั่นก่อนแล้วค่อยทําำหลังนี้เป็นต้นท่านทําสิ่งนั้นแล้วไม่ทําเสียหรือเวลาเคยสวดมนต์ไหว้พระหรือร ล, ลึกอย่างอื่นแต่เรื่องได้คิดหน้าที่การงานเรื่องอะไรอะไรคิดได้เท่านั้นพอเคาะแต่พอระลึกมาถึงเวลาจะหลับนอนจะไหว้พระสวดมนต์เท่านั้นท่านรู้สึกไม่ค่อยสบายใจแล้ววั น, น โกาสไม่กคยมีเพราะวันนี้รู้สึกว่าเครียบกับงานม า, าซะเต็มแย่แล้วแล้ววันหลังค่อยเอาเถอะนี่คือการโกหกตัวเองแล้วก็ล่มถอยถูกกระถูกที่หมอนตื่นขึ้นมาโอ้โหวันนี้เอาแย่ซะแล้วไม่ได้จดบุญเลยเอาวันหลังเอาใหม่นะ่ะ ว, วันหลังโกหกอีนี่นี่เราเคยโกหกอาจารย์เคยถูกตัวเองโกหกตัวเองมาแล้วยกเอาเรื่องตัวเองเนี่ยแต่บรรดาท่านผู้ฟังท่านหลายก็คงไม่เป็นแบบอาจารย์ นี่จ ะ, จะแสดงเรื่องความง่วงตัวเองเรื่องความโกหงตัวเองให้ท่านผู้ฟังทังหลายเพื่อได้นําไปพิพนิษพิจารณาว่าอาจมีเช่นเดียวกันนี้อยู่บ้างไม่มากก็นอ้อยส่วนพระพุทฏเจ้าไม่ได้มาโกหกโลกแบบที่เราโกหกเราและโกหกคนอื่นอย่างนี้ยิ่งเป็นที่แน่ใจสำหรับสุ ข, ขาตะถาสมนามที่วัตรัสไม่ชอบแล้วมสมริงปีก ไม่เช่นนั้นจะไม่คงเส่นคงมามาถึงขนาดนี้ในบรรดาพระอาวาชธรรสั่งสอนของพระองค์จะต้องสลายไปนานแล้วเพราะไม่มีใครนับถือทรงสั่งสอนอย่างนี้กลับเป็นไปอย่างนั้นทรงสั่งสอนอย่างนั้นกลับเป็นไปอย่างนี้ไม่ตรงตามความจริงคือเหตุกับผลไม่ลงรอยกันแต่นี่ลงทุกๆุกประโยคทุกๆบท ท, ท, ทุกบทยิ่งเรียกว่าสัวขาแต่ท่าน หรือเกวราระผลิตปุ่ลังผลิสุธิ์ทางพรรมจารยัประกาศเสกีบริสุทธิ์บรบรูบรณ์ในกาศในการประกาศธมจันทร์แก่สัตว์โลกสรุปความลงในพระโอวาททั้งหมดก็เพื่อให้เป็นหลักวิชาในการรักษาตัวเราให้เป็นหลักวิชาแก่โลกเพื่อการรักษาตนนี่เป็นหลักใหญ่มาก การปกครองตนการรักษาตนเป็นเรื่องใหญ่เราปกครองคนอื่นก็พอปกครองได้แต่การปกครองตนเองนี่สำคัญการสั่งสอนคนอื่นพอสั่งสอนได้แต่เวลาจะสั่งสอนตนเองหนึ่งไม่ยอมสั่งสอนพร้อมสั่งสอนแล้วไม่ยอมเชื่อทะเลทรายไปต่อหน้าต่อแจกต่อตาตนมีแยะมันเคยเป็น ยิงเป็นเรื่องยากคือการปกครองหรือฝั่งสอนตนเองพยายามคิดเน้นหนักลงในจุดนี้ให้มากเราจะเป็นคนดีมีหลักมีเกณฑ์มีข้อบังคับสำหรับตัวเองไม่คาดเคลื่อนแล้วกลายเป็นคนดีขึ้นมาเป็นลนําดับขึ้นมาคาว่าการปกครองตนนั้น คือเราจะอยู่เฉยๆไม่ได้ตามป ก, กติธรรมดาหน้าที่การงานความประพฤติต้องเป็นเป็นไปกับกายวาจาใจของเราเสมอเราทําอย่างไรจะเป็นไปเพื่อความที่หายแก่ตนและผู้อื่นเราทําอย่างไรจะเป็นความเจริญรุ่งเรืองทําอย่างไรจึงจําเป็นผู้มีเหตุมีผลการทําแต่และอย่างมีเหตุมีผลที่ถูกต้องดีงามสาหรับการกระทําของเราความประพฤติแต่และอย่างมีเหตุผลไปพร้อมเป็นเครื่องรักษาตัว ความคิดแต่ละอย่างทราบมาเป็นความคิดที่หนักในทางดีหรือชั่วมากน้อยเพียงไรนำเหตุผลมาพิสูจน์ ต, ตนเองอยู่เสมอนี่ชื่อว่าการรักษาตนเองจึงเป็นสิ่งที่ยากหรือไม่โดยมากเราชอบฝืนตนเองฝืนตนเองแล้วกว็เรียกว่าทําทําลายตนเองอยู่นั่นแหละแต่เราไม่ได้คิดว่าเป็นการทําลายตนเองนี่เป็นหลักสําคัญ สมบัตเงินทองมีมากน้อยถ้าเรารักษาตนเองปฏิบัติต่อตนเองไม่ถูกหนึ่งหมดไปสองการมาเป็นค่าสุดต่อเรามีสสำคัญคาว่าหมดไปคือหมดไปโดยการจับจ่ายไม่รู้จักประมาณเอาความอยากเป็นผู้เปิดประตูให้สมบัติไหลออกแล้วไม่มีวันปิดเปิดอยู่เสมอ เปิดเพื่อออกแต่ไม่ได้เปิดเพื่อนําเข้ามาโดยไม่มีเหตุผลเึงเครื่องทาให้ปิดให้เปิดให้จับจายให้สอยมากน้อนมีความจําเป็นเพียงไรไม่ค่อยคํานึงนี่ก็เรียกว่าไม่รู้จักวิธีรักษาตนเหมือนกันสมบัติซึ่งเป็นของตนจึงกลายเป็นวิธีไม่รักษาไปด้วยและทําลายสมบัติสมบัตินั้นกลายเข้ามาทําลายตนอีกทีคือเมื่อจายไปด้วยความไม่มีเหตุผลใจผิดตั้งถูกตั้งตอบ นานปนานไปก็มีแต่จ่า ย, ายผิดพลาดไปเรื่อยๆความเคยชินต่อ น, นิสัยที่เคยเป็นเช่นนั้นก็กลับเข้ามาเป็นฝังใจของตนเองกลายเป็นคนไม่มีหลักแบบปนสุดูุชุล่าใจก็รั่วสมบัติก็ไหลไหลไปเรื่อยๆจนไม่มีที่ยับยั้งนานเทามีแอวนเป็นที่เก็บตั้งจะมากเพียงไรก็ตามไหลไปหมดเมื่อหมดผลแล้วก็น้ําประมุกจับคลองต่างๆ ถ้ามีแอ่งเป็นที่เก็บไว้บ้างก็พอได้ใช้หน้าแล้งเช่นเขาทําเขื่อนเป็นต้นสมบัติเงินทองมีได้หาได้แต่ถ้ามีที่เก็บไม่มีเหตุผลเป็นเครื่องปิดเครื่องเปิดแล้วสมบัติมันก็ไหลเช่นเดียวกับน้ําแล้วยังไหลเราพัดเราไปอีกให้กลายเป็นคนเสียไปทําให้ลืมตัวทําให้ไม่ได้คิดทำหนึ่งขึ้นความผิดถูกชัว่วดีเลยกลายเป็นนิสัยอย่างนั้นอย่างนี้แก้ยาก เราต้องพยายามแก้ไขนี่แหละวิธีรักษาตนเนี่ยมันยากอย่างนี้ปกครองตอ น, นยากคือบังคับสิ่งใดที่ไม่ดีจะอยากไปก็ตามก็ตามไม่ไปถ้าเหตุผลไม่พร้อมที่จะไปว่าควรไปไปแล้วจะเป็นผลเป็นประโยชน์อย่างนั้นสิ่งใดไม่ควรจะทําก็ต้องบังคับสมว่นี่เรียกว่าปกครองตอนคือบังคับในสิ่งที่ไม่ควร เปิดทางให้ในสิ่งที่ควรนี่เป็นการลาบากเมื่อปกครองต น, นยากยากกว่าปกครองผู้อื่นเวลาเขาไม่ฟังคำบ้างก็โกรธให้เขาโมโหให้เขาแต่ตนไม่ฟังคำตนนี่ไม่เคยโกรธไม่เคยโมโหจึงไม่เห็นโทษของต น, นให้ย้อนสมาพิจารณ้วิธีปกครองตนนี่เราพูดถึงการปกครองทั่วท่วไป และย้อนขมาการปกครองกี่เกี่ยวกับธรรมะที่จะเอาคำดีใส่ใจนี่ก็เป็นเรื่องยากพอจะกำหนดพุดโทโธธทําโมสังโคเข้าภายในใจโอ้โหลูสึกมันอัดอั้นตันใจไม่อยากคิดพอเปิดทางให้วิ่งเลยไปเลยไม่ทราบถึงโลกไหนคิดวันยังคำไดคืนยังนุ่มใดพอเอาพุโทโธเข้าไปไม่ได้นึกพุโทโธพุโทโธแล้วยามันรู้สึกมันยังไงชอบคนเหมือนเอาพลิก ใส่เข้าไปในปากเผ็ดร้อนเป็นอย่างนั้นนะเนี่ยมันแสลงไม่เคอยากรับนี่เป็นวิธีที่ละเอียดมากเกี่ยบกับเรื่องปกครองจิตใจหรือรักษาใจให้มีคุณธรรมให้มีความดีเป็นเครื่องชุ่มชื่นหรืออบอุ่นภายในจิตใจเพราะฉะนั้นจะลำบากยากเย็นก็าตามเราควรฝึกอบรมใจของเราให้คุ้นกับธรรม มีพุโทโธธรรมโมสังโฆเป็นต้นหายใจได้รับความสงบเย็นถึงขาวจำเป็นจำใจมาผ้าปัติดมือไปพั๊บสุ ข, ขโตโเป็นที่หวังได้แลยใจก็อยู่ในปกครองตามตัวปฏิธรรมนาไม่ดื้อดึงไม่ฝ่าฝืนเหตุผลที่ตนเห็นว่าชอบแล้วจนใจยอมจำนวนทุกอย่างจะทำอะไรจะพูดอะไรต้องยอมเหตุผลที่ควรหรือไม่ควรนี่ที่วล า, าปกครองตอนเราได้เป็นขั้น ถ้ายิงปกครองได้อย่างแบบพระพุทธเจ้าและสาวกท่านนั่นก็ยิ่งดีเยี่ยมปกครองจนกลายเป็นจิตที่บริสุทธิ์ทั้งๆ้ติดแต่ก่อนเคยมีกิเลสทั้งหาอาสวะอยู่อย่างเต็มใจก่อกวนวุ่นวายให้รับความทุกข์ร้อนอยู่เสมอเสม อ, เ, สมอเพราะอสิ่งเหล่านี้เป็นผู้กอกวรดูแย่แต่ชำระสักฟอกได้หมดเพื่ออานาจแห่งความเพียรพ ย, ยายามกลายเป็นใจที่บริสุทธิ์ขึ้นมาเรียกว่าวิมุตตพุทธโธ ท, ที่แท้จริงหมด สิ่งที่เป็นเที่ยนนาต่อจิตใจกลายเป็นความรู้สึก ข, ขึ้นมานี่เรียกว่าเป็นการปลุกครองตนได้โดยสมบูรณ์ประมังสุขขังไม่ต้องถามความสุขอันยอดเยี่ยมมีอยู่ที่ใจดวงหมดพยศโดยสิ้เนเชิงนี้การแสดงธรรมก็เห็นมาทุสควน เ, เวลาขอทุกท่านได้นำาปพินิจรนารณาเพื่อปฏิบัติปกครอง ร, อรักษาตนเองโดยลาดับ ความสุขความเจริญจะเป็นสมบัติของทุกๆท่านโดยไม่ต้องสงสยัยจิงขอหยุดติเพียงเท่านี้